เรื่องกล่องยาตาสมัยนั้นภิกษุทั้งหลายรังเกียจกล่องยาตาบ้างไม้ป้ายยาตาบ้างไม้แคะขี้หูบ้างของที่ใช้ห่อบ้างภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตกล่องยาตาไม้ป้ายาตาไม้แคะขี้หูของที่ใช้หอ่อ